ท่านฟังที่เคารพค้าขณะ น, นี้ท่านก็เลอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัมสนีสนทนาดิฉันสรนสนีนาครงดําเนินรายการส่วนที่ผ่านไปก็คือประมาชชาคขาวโรและเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกับการที่ปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะโดยการนำของท่านมาพร้อมทั้งอ่านพุทธวจนะให้ฟังกันแล้วนะคะมาถึงตอนนี้ ก็คุ้นเคยกันอีกเช่นเดียวกันมันคนบอกว่าแม้วันหนึ่งที่ไม่ได้ฟังเนี่ยมันขา ด, ดอะไรยังไงชอบกลนคือฟังการตอบคาถามโดยพระพบูลอภิปุโนโด้วยการนำเอาผู้ทวจนะนะคะมาตอบในช่วงที่เราเรียกว่าเปิดทรรที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวจนะคะ่นะนักศึกษาท่านคะใช่พาค่ะช่วงปลายปีคนก็จะเคลื่อนไหวไปมามีหลายลักษณะนะคะการส่งของขวัญบ้างการพยายามทํางานที่อยู่ในปีนี้ให้เสร็จก่อนที่จะ สิ้นปีบ้างแล้วก็เตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันก็แปลกดีนะคะว่าทําไมมนุษย์เราจะต้องตื่นเต้นมากหรือว่าโกลาหลกันมากในเรื่องการที่ข้ามปีเก่าปีใหม่เนี่ยเนาะใช่ค่ะในเรื่องการข้ามปีจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรลักษณะนี้ ในครั้งพุทธกาลไหมคะที่จะต้องมีการเฉลิมฉลองใหญ่กันแบบเนี้ค่ะไม่มีเลยคุณโยติวัฒนาไม่เคยได้เห็นข้อมูลพวกนี้เลยวันเกิดก็ไม่มีนะวันปีใหม่ก็ไม่มีอ่าที่ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะจริงรู้กันคะถึงแม้ว่าพระศาสดาเราเป็นพระศาสดาแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะฉลองวันเกิดให้กับท่านหรอคะไม่มีไม่มีแล้วอย่างโอกาสสําคัญสําคัญนะคะอย่างเช่นอ่าตรัสรู้ แัสรุปันผ่านมาแล้วใช่ไหมการแสดงำำคำธรรมะก็ผ่านมาแล้ววันวิสาขะสมัยนั้นก็จะมีเหตุการณ์อย่างเช่นว่าแสดงปฏิหารที่อาจจะเป็นเรื่องฮือฮา<ม>อหรือบางทีการผิดอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีการเรียกประชุมสองอันนี้อาจจะเป็นเรื่องฮือฮา เอแล้วก็จบกันไ ป, ไปคือวันนั้นเราก็จบไปเลยแล้วก็ไม่ได้มีการมาต้องทุกทุกปีเรามาเฉลิมฉลองอันนี้การอันนี้วันตายขอยงคนนี้วันนี้วันเกิดของคนนั้นไม่ไม่ได้มีนะอ๋อหรอคะอืมคะ่ะอั น, นอันนี้อาจจะไม่ใช่ค่านิยมของคนอินเดียในสมัยนั้นก็เป็นได้แต่เป็นค<ะ>่านิยมของชาวตะวันตกที่เขาเพิ่งมามีกันในช่วงทศวรรษหลังหรือศตวรรษหลังนี้และมั้งอาจมาคิดว่าอ๋อหรอคะอืในเรื่องของวันเวลาเนี่ยคะ่ะพระพุทธองค์ได้ตรัส เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างไรบ้างไหมคะเรื่องของเวลานี้พระเจ้าพูดไว้หลายจุดมากเลยถ้าจะหยิบมาเนี่ยอย่างเช่นว่าอาดีตอนาคตปัจจุบันก็เคยพูดไว้นะว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าที่มาในอดีตอนาคตปัจจุบันก็จะมาเป็นลักษณะนี้อริยสาวกที่อยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันก็อยู่ในลักษณะนี้กามันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็อย่าไปยึดถือมันอย่างเงี้ยน ะ, ะถ้าพูดถึงเรื่องเวลาในเรื่องของการดําเนินของเวลาเนี่ย ก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อวานว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทําอะไรอยู่นะแล้วก็ให้อยู่ในเห็นปัจจุบันเนี่ยโดยความไม่ใช่ของเรา อ, อ, อันนี้ก็กรณีหนึ่งค่ ะ, คะพระพุทโธทร ง, งให้ความสําคัญกับเวลาใดมากที่สุดคะเท่าที่ได้ศึกษามาไม่มีเลยคุณยมติวไม่ได้ให้ความสําคัญกับเวลาเลยคือถ้าเราสําคัญกับอดีตใช่<ส>ั้มคืออดีตเนี่ยล่วงไปละผ่านไปละเราช่างมัน<ส>อนาคตยังมาไม่ถึงอย่าพึ่งเพราะฉะนั้นปัจจุบันทํายังไง ก็ไม่เอาปัจจุบันก็อย่ายึดถือด้วยความเป็นตัวตนคือเมื่อไหรถ้าเรายึดปัจจุบันคือบางทีเราเพลินในปัจจุบันเห่มไหมถ้าเราเพลินในปัจจุบันเนี่ยอดีตอนาคตตามมาด้วยคือมันเป็นไทม์ไลน์นะเลยขึ้นเคยเข้าใจว่าพระพุธงค์ทร ง, งให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากที่สุดไม่ใช่หรอคะออปัจจุบันพระพุทธเจ้า บ, บอกว่าให้เห็นว่าเราทําอะไรอยูอ่แค่นั้นเองหมายความว่าอะไรตรงเนี้ยหมายความว่าคุณมีสติไง คุณมีสติก็แสดงว่าคุณไม่ยึดถือปัจจุบันโดยความเป็นของตัวเองนะที่บทพิยัญชนะที่บอกว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจริงๆไม่ใช่พุทธวจนะพมทุกท่าให้เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่งอนแงน่นอันนี้เป็นพุทธวจนะเห็ น, นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่งอนแงน่นอันนี้เป็นพุทธวจนะงอนแง่นเนี่ยนะคะใช่ใช่แล้วก็อธิบายอีกที่หนึ่งว่างอนแง่นคืออะไรนัก็คือการที่งอนแง่นก็คือการที่ว่าเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นของฉันเป็นของตัวเองเป็นเห็นด้วยความเป็นอัตตา เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของฉันฉันมีปัจจุบันอยู่นะอ้าวอันนี้ผิดแต่ต้องเห็นปัจจุบันว่าไม่ใช่ของฉันอันนี้ถูกคนจะเห็นอย่างนี้ได้คุณต้องมีสติมีสติก็คือว่ารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ค่ะ<า>ท่านคะช่วยอธิบายให้ผู้ที่ยังไม่มีสตินะ <laughs> คะ <laughs> ถึงจะให้เห็นความเป็นปัจจุบันในความในในความเป็นของไม่เงาแง่อืมก็คือคือตรงเนี้ยเป็นคอนเซปต์เข้าใจไหมที่ปริชาอธิบายอาการทางจิตมันต้องเป็นอย่างนี้แต่วิธีการปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติคืออะไรคือคุณอยู่กับกายน่งอยู่กับกายก็ได้เองในที่นี้คืออะไรอยู่กับลมหายใจถ้าเราอยู่กับลมหายใจแสดงว่าคุณมีสติสติก็แสดงว่าคุณจะเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่งอนแง่นเป็นขั้นไป็นตอนไปอย่างนี้นะคุณยมติว เราต้องเอาดูวิธีการปฏิบัติก่อนนะวิธีการปฏิบัติก็คือให้อยู่กับลมหายใจจบเลยค่ะอืมแล้วสิ่งที่จะเกิดมาในจิตนะกระบวนการตรงนี้เขาก็จะบอกว่าปัจจุบันนะเราเห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของไม่ใช่ของฉันนะก็คือไม่งอนแงน่นก็คือว่าไม่เห็นปัจจุบันไม่เพลินไปกับปัจจุบันอย่างนี้จะเป็นขั้นเป็นตอนไปค่ะทีนี้สมมุตินะคะสมมุติบางคนก็เคยปฏิบัติมาบ้างแล้วเนี่ยทำตามท่านมาทุกวันเลยอืยังนึกไม่ออกเลยค่ะว่าที่ท่านบอกว่า ไม่เป็นของฉันนั้นเป็นเช่นไรและยิ่งคนที่ไม่เคยปฏิบัตินี้ยิ่งจินตนาการไปไม่ถึงไงเลยอืมค่ะท่านพอจะอธิบายได้ไหมคะง่ายๆของที่ไม่ใช่ของฉันนะอย่าง<ถ>เช่นว่าโทรศัพท์มือถือของเพื่อน อ, อสมมติฉันมีโทรศัพท์มือถือนะหรือว่าไอ้วิทยุที่คุณฟังอยู่ตรงนี้ยเป็นวิทยุของใครของฉันใช่ไหมเอาวิทยุของคนอื่นเป็นยังไงฉันไม่แคร์นะนั่นเน่ยเราต้องเห็นของของเราเนี่ยเหมือนเป็นของคนอื่น นั่นแหละคือไม่ใช่ของฉันอืม ท, ทีนี้อันเนี้ยท่านอธิบายออกมาข้างนอกแล้วแต่เมือ่อสักครู่เนี่ยตอนที่ท่านอธิบายหลักการท่านอธิบายเข้าไปข้างในคือว่าให้เราอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วเราจะมีสติแล้วเราก็จะได้พบว่ามันไม่ใช่ของฉันนี่ค่ะไอตรงเนี้ยค่ะที่ฉันอยากจะให้อ่าท่านช่วยชี้ให้หน่อยว่าเมื่อเรา อยู่กับลมหายใจอืเรามีสติรู้ตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกเข้าสั้นออกสั้นเข้าย า, ออยาวออกยาวอะไรก็ว่าไปนะคะอทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดเราหรือยังคะว่าพอเรามีสติล้ที่มันมีความไม่เป็นของฉันเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรคะ <c oughs> อธิบาขำมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยยึดถือจิตของเราโดยความเป็นตัวตนมาช้านานแล้วค่ะ <c oughs> การที่จะมาเห็นว่าไอ้การนี้ไม่ใช่ของฉันเนี่ยมันจึงไม่ใช่ของง่ายมันไม่เหมือนกับเห็นโทรศัพท์มือถือของเพื่อนเห็นรถของเพื่อนนะมันมันไม่เหมือนกันเพราะนี่มันเป็นตัวของฉันมาช้านานแล้วแล้วเพื่อนจะทำไงถึงฉันเห็นอ้าวคุณก็จะต้องทําจิตให้มีกําลังจิตให้มีกําลังเราจะเห็นชัดตามที่เป็นจริงซึ่งการสังเกตลมหายใจนั้นคือการทําจิตให้มีกําลังแล้วก็การเห็นตามที่เป็นจริงไปพร้อมๆกัน เห็นระดับไหนคุณก็ปล่อยวางได้ระดับนั้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการสังเกตลมหายใจเนี่ยจึงเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเป็นยังไงเราจะปล่อยวางได้ไม่เห็นว่าอันนี้เป็นของเรากระบวนการมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนถ้าเราจะพยายามอธิบายสิ่งที่คุณจะต้องเห็นได้เมื่อต่อก็ต่อเมื่อจิตคุณมีกําลังเนี่ยในอธิบายตอนที่จิตไม่มีกําลังเนี่ยมันจะไม่เข้าใจ อ๋อเดีดยวฉันเข้าใจแล้วว่าอันนั้นคือเป็นเรื่องที่ท่านต้องปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องที่รู้เอาเองรู้ด้วยตัวเองใช่รู้ในจิตเพราะเป็นจิตอของเธอเองค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างนี้นะคะสมมุติถ้าถ้าดิฉันจะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าดิฉันนั่งเฝ้าดูลมหายใจอืมไม่รู้ทําถูกหรือทําผิดตามที่พระพุทธเจ้าบอกนี่แหละอืมว่าให้รู้ว่าขณะนี้กําลังหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้น แล้วดิฉันก็อยากจะรู้อย่างเนี้ยตลอดเวลาแต่จูจๆมันไปรู้อย่างอื่นแทนคิดเรื่องอื่นดิฉันคุมมันไม่ได้ อ, อย่างนี้มีความไม่เป็นของฉันให้เห็นแล้วหรือยังคะเอ่ออันนี้เราพูดถึงหลักการนะว่าถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยจิตไม่ใช่ของเราเนี่ยคือคุณเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วเข้าใจไหม อ๋อค่ะนั่นคือสุดยอดแล้ว ท, ที่สุดของการปฏิบัติแล้วอ๋อนั่นที่ไม่งอนงันของท่านที่ก็คือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วสิคะ่ะถูกต้องถูกต้องอคือคือไม่ใช่ว่ามันจะ ย, ยากจริงขนาดว่าเกินเกินความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะแต่เราพูดถึงการปฏิบัติที่ละเอียดมากอย่างเช่นว่าเราไปคิดนั่นนี่เนี่ยโอ้ยคุณแค่เห็น เ, เกิดเห็นดับเฉยๆยังไม่เห็นเกิดดับจังหวะเดียวนียังยังเห็นไม ยังไม่เห็นจิตโดยความเป็นไม่ใช่ของฉันอยู่อาจจะเห็นสิ่งอื่นโดยความเป็นไม่ใช่ของฉันได้แต่จิตนี่ยังเป็นของฉันอยู่ฉันถึงไปก้าวลงบังคับเขาไม่ได้ค่ะก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆใช่จนกว่าเมื่อถึงวันที่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของฉันแล้วนั่นแหละปล่อยวางได้หมดนะก็จะจะสบายใจมากๆเลยละ่ะ อ, อันนี้ก็ต้องพยายามเลยนะคะเนี่ย คือหมายความว่าไม่ไม่มีไม่มีใครที่จะมาบอกว่าความรู้สึกของท่านจะเป็นอย่างไรเมื่อถึงวันนั้นเอ่อในที่นั้นความรู้สึกก็จะดับไปอืมความรู้สึกก็ไม่มีค่ะความรู้สึกที่ เ, เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อันเนี้นะค่ะเราฟังคําของพระาศาสดาพุทธวจนะที่บอกว่าให้เห็นปัจจุบันในความเป็นของไม่งอนแง่นฟังดูแล้วเหมือนท่านพูดอะไรเบาๆ ง่ายๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอมาฟังอย่าท่านไผบูลเนี่ย <c oughs> ก็รู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่เรื่องเรื่องน่ารักน่ารักง่ายๆใช่บุ <c oughs> คคลที่เป็นอย่างนี้นะผู้ศึกษาบอกว่ามีชีวิตอยู่วันเดียวก็ยังดีกว่ามีชีวิตอยู่ร้อยปีแล้วไม่ไม่รู้เรื่องพวกนี้คือถ้าถ้าบทเพียรชนะที่ว่ามีชีวิตอยู่คืนหนึ่งเนี่ยก็ยังดีกว่ามีชีวิตอยู่ร้ายปีเนี่ยเราจะพูดภาษามนุษย์ ภาษาบ้านเราเนี่ยให้เข้าใจเนี่ยนะก็คือแค่ว่าวินาทีที่คุณมีอยู่ตอนนี้สำคัญกว่าวินาทีอื่นในในโลกทั้งหมดมไม่ว่าจะเป็นที่ยังมาไม่ถึงหรือที่ผ่านมาแล้ววินาทีนี้สำคัญที่สุดดังนั้นท่านก็เลยมาถึงจุดที่ดิฉันถามคำถามสิคะว่าถ้าสุดท้ายแล้วท่านให้ความสำคัญกับเวลาใดมากที่สุดใช่ปัจจุบันหรือไม่ในความเข้าใจเดิม ฟังแบบนี้ก็น่าจะใช่สิคะเพราะวินาทีนี้มันก็คือปัจจุบันอ่าก็ถ้าเราเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่งอนแง่งไงอือให้อยู่กับปัจจุบันที่ไม่งอนแง่นั่นแหละค่ะเนั้นทั้งหลายทั้งปวงท่านจะต้องลงทุนลงแรงปฏิบตัติรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้พบกับปัจจุบันอันเป็นของไม่งอนแงน่ม แล้วก็ตรงนี้มันก็คือความเพียรที่เราต้องใส่เข้าไปนะความเพียรตรงนี้มันไม่ใช่ความลําบากเหงื่อแตกอดทนอะไรขนาดที่ว่าจะต้องเอาเป็นเอาตายอะไรกันแค่เราทําทุกๆวันวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยอย่างฝนตกมันก็ตกทีละเม็ดใช่ไหมคุณโยมติวแล้วมันยังน้ําท่วมได้เอาทีละเม็ดนี่แหละเอาทีละหนึ่งเอาทีละหนึ่งเรานับทีละหนึ่งเรานับทีละลมหายใจเรานับทีละวินาทีนั่นมันก็กลายเป็น สิ่งที่ใหญ่โตขึ้นมาได้นะนะคะก็ขอให้ถ้าจะตั้งต้นอะไรใหม่ในปีใหม่ก็ตั้งต้นค่อยๆเพียรสะสมไปเรื่อยๆอย่างนั้นดีกว่านะอันนี้เป็นการให้ของขวัญตัวเองที่น่าจะดีที่สุดนะค น, นเ่เข้าใจว่าแล้วตรงนี้ก็คือทำตัวเป็นธรรมธายาสนะไม่ใช่อามิตธายาต <c oughs> ซึ่งก็จะมาถึงพุทธาชนะที่จะเป็นการอาจจะเป็นการอวยพรในปีใหม่ก็ได้ ว่าเราจะมอบมรดกให้แก่ทายาทเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงการที่ให้ทําตนเป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอามิสทายาทเลยออให้ท<ห>ําทตนเป็นธรรมทายาทใช่ถ้าสําหรับผู้ใหญ่จะมอบของขวัญปีใหม่หรือว่าคำมยพออะไรให้คนที่เป็นลูกหลานอย่างเนี้น ะ, ะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าให้ทําตนเป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอามิสทายาทเลยอย่างนี้ก็ได้หมายก็ว่า เป็นของขวัญที่เป็นการให้สติใช่ไหคะแล้วก็ <c oughs> อย่างบางคนอย่างเงี้ยมอบบรดกให้ลูกใช่ไหม <c oughs> อาจจะเป็นเงินสักพันล้านแต่ลูกเนี่ยอาจจะไม่รู้ถึงความขยันอดทนเก็บหอมรอมริบความลำบากที่อยู่เบื้องหลังเงินพันล้านนั้นค <c oughs> ่ะก็จะไม่เป็นธรรมทายาทในกรณีนี้นะค่ะจงทําตนเป็นทายาทอย่าเป็นอามิตรสถานญาตเลยเป็นธรรมทายาทค่ะให้เป็นธรรมทายาท อุปการะอื่นด้วยการให้รู้อริยสัจเป็นอีกหนึ่งผู้ทวัจนะที่ท่านไปบุญให้ในตอนในในวันที่ผ่านมาส่วน ใ, ในวันนี้ท่านคะนอกเหนือจากเรื่องทาตนเป็นธรรมทายาทเนี่ยก็ต้องถือว่าให้เห็นความเป็นปัจจุบันในความเป็นของไม่งอนแงน่นอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ<ๆ>เพราะว่าหลายท่า น, นได้ความรู้ไปเต็มเปลี่ยนละอืมอันนี้นะะก็วอวยพรได้เหมือนกันนะค่ะว่าเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่ง้อนแงน่นก็ได้ค่ะ นะคะวันนี้ก็ถือว่าได้หลายประการเลยสำหรับข้อธรรมที่ท่านเพบุญได้นำมามอบให้เราเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจน ะ, นะคะน้อมสักการขอบพระคุณท่านอย่างสูงเลยค่ะเนผ่านกับท่านพัศ์ที่กรบคาท่านไปบุญนั้นก็เป็นประสงค์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีมาเป็นเวลา น, านานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ที่นั่นยังเป็นสถานที่ที่ท่านได้ไปจัดให้มี ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะเห็นปัจจุบันในความเป็นของไม่งอนแง่นจริงๆไปตั้งหลักที่นั่นเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถติดต่อไปได้ที่เว็บไซต์ของหลวงพ่อด็อกเตอร์หลวงพ่อด็อเตอร์ .com หรือว่าจะเข้าไปดูที่เพลท a m a c o m หนึ่งศที่ท่านเข้าใจว่าหน้าที่จะมีส่วนที่ทให้เราเข้าถึงได้ ะะและไปทิ้งคำถามของท่านทั้งหลายเองไว้ที่นั่นได้เพื่อที่จะให้ท่านพิบูลน์มาตอบในรายการนี้เช่นกันค่ะทางรายการของเรามีหนังสือพุทธวจนะที่ท่านจันคึกฤทธิ์โสธิพโลวัฒนาป่าพงมอบให้กับท่านนะคะที่เบอร์โทรศัพท02์ 02-269-0-0-0-6 ไปศึกษาถ้อยคำของพราศาสระสสที่เรียกว่าพุทธวจนะกันวันลา3ท่านนะคะติดต่อไป และสำหรับวันนี้เราคงต้องลากันไปแต่เพียงทั้นี้ก่อนขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้นำเอาพุทธวจนะที่ได้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติพุทธวจนะสวัสดีค่ะ